พระบัญญัติ739ก็ภิกษุณีใดอธิษฐานอากาลจีวรเป็นการลจีวรแล้วให้แจกกันต้องอบัตินิสักิยาปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ